<c oughs> อย่านั่งยูสี่เ็นังยูนพิจารณาขันกำน ด, นดใจนิ่งบ่ได้แต่พิจารณาพิจารณาเนี่ยไม่ไหนคึไอ้ต้อมต้อมเบิงพิจารณาคึดเบิงว่ า, าห่างเฮ้าไก่เฮ้าเนี่ยดูน้าอีกบ่ดอนหรอกมันจะใส่อดใสอดไส หลางกายเข้าหนึ่งแล้วมันตอดปลายตอดไข่โมเท่าจะเกือได้คืด อ, อยู่นั่งอยู่หออึ่กับบ๊มเนว่ายนคือได้มันตอดตะยุมันคืด อ, อีกจางนึงแต่มื่อวัมนวมันพ่วงมือนผิแตกแต่หลายค่วมผิดตายน่งมันหยับมากหยับมากไตเขามาเรื่อยแล้วโมเท่าได้ยินมีทิญุเขาลุงตาคนเพศคนว่า มันสักเป็นยังไงเราสั่งมัดกระโจนกระโจน่แย็บไปมดเก็บน้าเนื้อน้ำหนังแย็บไปหอดกระดูกว่ามันมัดโตเพราะกันเขาค่อนมัดรูปไว้สั่นลิลุกสิไฟลิมาโอ้ยบื่อดได้สั่นอาเรื่องเชื่อนหอดบื่ออยากตีนชิ้งเบ่ออยากลุกขึ้นมาสั่นเข่าแต่ว่าเห็นพวกตาดำมองมองยังแง่รัวไปรัวมาอยู่ในห ล, ลักก็เลยอดสาน คอคอยตัวสัดว์ตัวเท่อออกมาได้เออแนกว่าเดี๋ยวนี้สิลุกสินงันงยังมันยากมันเลยเน่ยเนี่ยมันยังจะเหล่อร่างกาย ม, มันมันไลลนก 98, นนไลแล้วลงปูมันตาดอ่จนกับเก่าที่สามเก่าที่สีอะมันไกลเส้นที่แล้วนั่น ล, ะละหายเข้าที่เจริหน้าอยู่เรื่อยๆตะกี้ว่ายมีที่สามทีสี่ห้ทโอยยังไกลเลน่มาดิกันพู หกิบเจตหล่าล่องซ้ำมุ้น่มั้งใจอยนเลยฮะเนี่ยเจ็ดติ๊บคกูจีิบสิ้าสิบือนหน้าเน่บานเจ็ดิแล้วเนี่ยข้าวเดียวทำอยู่ได้ถ้ามันมันเอามาส่งถ้าเป็นห้าวยืดไปเอากระบยจากอันอันท่วมมือก็ได้ไก่เข้ามาแล้วเนื้อไก่เข้ามาแล้วไก่เข้ามาวอมินแนวดีอันนี้วอมันแน่เป็นตักฟูกเอาดอกนี่เป็มันแหละติ๊บฟกเอ้า คิดเพียงสี่ยปมาดวิธีบประมาดเซตอย่างไรใฮะเนี่ยผู้ผู้นี่แหละเพราะมันถือม่านเงินเซตอย่างไรวะเนี่ยให้ซ้อมใจได้ซ้อมใจไว้มันตะเมนบวมันย่านบวมันหวาดมันรันมันเก่งบวมันเกลียยมันตั้งคู่นั่นคู่นี้ยังนี่บวมกันมีเป้าเอาออกเนี่ยโมนี่เน่่ยโมนี่แหละเป็นใส่ชุดเป็นขาชุดสูงมารีอยู่ไม่มี เป่าออกเนะเอาออกมันมืดใส่ใจฟองใสสบายอยู่หลวงปู่เทศชนบาให้ท่าใจเป็นกลางๆผู้ใดทำใจเป็นกลางได้ผู้นั่นจะพ้นจากทุกขังพวงเนี่ยมันเทาท่าใจเป็นกลางแล้วเหเรื่องยังมากันบะเรื่องมันเข่ามาโอ้ยเจ็บนั่นเจ็บนี่มาโทษเติมโทเติมเลท่านใจเป็นกลางไว้นั่นแหะพ้นไหมพ้นจากความ กำพ้นกำพ้นคุดหนัก น, กน้มันเก็บเนี่ยเฮาคุดหนักมันเก็บเ็บไปเพ้ย ม, มากผลิตตายแล้วนาอนะเฮาคุดหกันทัาเเงเจริญกลางได้แล้วโว้ยมันเจ็บไปเก็บซักเรื่องของโถยาหม่าเฮาน้อยามาแปดเฮามันก็ว่าอะไรด้เฮาเ็บใหเรื่อยนะแล้วกไปเรื่อยนะมันแข็งแรงกว่าอยงเงี้ยยังเก็บใากากบดญใหญ่เฮาฟันุดบอทันดี ให้เตืเห็นย้งมันก็พอเป็นให้ทำซุกดีแล้วเขาอยากคืดไปในซอไถอยากคืดไปในว่าเอาอยู่ไผอยู่มั่นเด้อสูกับเป็นไพวกสูกูกับอยู่พวกกูได้อยงี่นก็อยู่ได้อีกเนี่ยแสงเห้แสงแรงเล็น้อยแนวเขื่เาสอนอันสมุดปรากฏแนวนั้นเปนมาแล้วแตเข้าสอนเขาต้องได้น้ำมูอังที่อันเข้าใจเตนแเอาก็ได้ อดได้คือเจ้าคุณภูลดอาหารงดอาหารอดอาหารนี่แหละแต่ข้วมอดส้นสนกำหนดกิดตัวส้นกำหนดกิดไว้นี่นี่เข่ามาเต้มอาหารมาเต้มหอมหอมก็กำหนดใจไว้่างทีกำหนดใจไว้หลังกัดบอบเอี่ยงนี่แหละเมื่อกลานไปบอบเอี่ยงควอมเดือดร้อนยืดกันตัว ต้อมเทีบใครได้ปวยกันเทีบหน่อยปวยหน่อยล่องลอเป็นอนี้ยังล่องเห็ดดึงเอ้าปวยกับปวยสู้กัเป็นไปสู้กับยูนีล่ะสู้หัดส้อมสู้สู้กับ้อมสู้สู้เห็ดปวยสู้กับวยไปซะสู้กับ้อมจะฟ้องกิาอยู่เองบนลำบากกพวกทีเป็นมาเรียนเขาเห็นไม่จริงสิละเห็ดแล้วเป็นมะเรียมาหลายเนี่ยเอ้ามึงตั้นก็ตันไป ท, ท nine. me right ั้นทั่งกันทั้งหนาวเจอสมรสคิดนิ่งเว้นี่ในที่สุดเลยไอ้ไข่มิดมั่นได้บะเนี้ยแบบออกมาอีกเกือนเหนื่อยจนเศร้าแล้วแต่ก่อนเป็นมุ่มี่ดอกยาเนี่ยครัเอาเร่องปีหลักสูงเกี่ยวนี้เจ้าหมืออื่นมาหอดเวลาเกาสั้นอีกน่เนี่ยสั้นอีกจะตู่อีกจะที่ละบ่ตายเว้ยกันทูแหบนมีบ่ตายรอกกันทูสมรดคิดสูงหรือบ่ตาย เม็ดไร้เืออะไร้ที่เก่าวันี้ร่างกายมันมีดพุ่มก า, ารท่านขึ้มาเองได้วันที่รุ่นหายเลยเข้าเลยเนี่ยเข้าย่อนสมรสกิฟตนี่แหละย่อเนเขาเอิ่นได้ท่อมมะอูยศเงี้ยนี่แหละมันมันเข้ามันจนิญตอกบ่มี่มองจิตไปเราบนเขม่าอยู่ด้วผู้ใดกระไรบนเขามา่าใจอยู่อองนี่อยู่มันมิดมิดยูไม่มีมมมมมมบ่มี่ยังมากลุกล้านเลยดอก มองนี้แหละชิงคู่ว่าอาการเท่าสี่ให้บอกในเป็นเครื่องสําหรับเครื่องอยู่ต้องปวกห้องอันผู้เอาเป็นแต่ปากเอาเฮเอาอินเทอร์เน็ตอันผู้บวกเป็นป็นล่องร้อยใสไปเบื้องตู้หนึ่งไปเบื้องผู้นี้เอาผู้หนั้นเทฮ็ดยั้งผู้นี้เฮ็ดยั้งไม่น้อยก็ไปฟอสผิดเขาที่ไปมัดเขานั่ก็มีไปฟอสผิดเขาก็มีไปเล่นไปหัวไปคอยไปแซงอยู่ก็มีโอ้ยเจ๊เวลา ผมไม่หุ้ใจเดือ้องเนี่ยมองมันจีได้เอาบันรมีแล้วเลยเนียแล้วอ้อนบันี่